ธรรมะกับไฟอาธรรมายอธรรมก็คือพวกเสือปล้นโจรร้ายเท่าที่เคยได้ยินมาก็คือเสือดำเสือใบเสือค้ายเสือมาเหศวนเสือผาดหรือว่าโจรห้านัดจำเรียงปรางมณีส่วนไฟธรรมะก็คือไฟพระอริยเจ้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าในจานวนเสือปล้นโจรร้ายที่มีชื่อเสียงโด่งดัง กับพระอริยเจ้ารูปหนึ่งกลับเป็นคนคนเดียวกันครับพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตสิทธิเอกหลวงปู่ตื้อกับขุนโจนอิสไมแอโจรสลัดทะเลลึกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองไทยกลับกลายเป็นพระภิกษุที่ผู้คนกราบไหว้กันมากมายและเมื่อท่านมรณาภาพกระดูกของท่านเป็นพระาธาตุครับ อาจารย์ยอดหวังว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ท้อแท้กับการปฏิบัติธรรมทำความดีว่าแม้แต่สิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในขุมบาปยังสามารถทยานไปสู่ความสำเร็จขั้นสูงสุดในความเป็นมนุษย์ได้อย่าท้อครับมาผมจะพาท่านไปไปหาอาจารย์ประยุทธ์ไปฟังเรื่องราวของท่านณนะบัดนี้ครับพระอาจารย์ประยุทธ์ ถือกำเนิดที่จังหวัดเพชรบุรีในตระกูลสุวรรณสีเมื่อวันเสาร์เดือนห้าปีมโรงคปี2471ท่านเป็นบุตรคนที่สามท่านมีพี่ชายคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็มีน้องสาวอีกสองคนส่วนชื่อของโยมพ่อโยมแม่นี่ไม่มีบันทึกเอาไว้ครอบครัวของท่านมีฐานะดีพอสมควรหลังจากที่พระอาจารย์ประยุทธ์คลอดมาได้ไม่นานครอบครัวอพยพโยกย้ายไปอยู่ทางหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านก็ไปโตที่นั่นวิถีชีวิตหรือจะกล่าวว่าวิถีแห่งกรรมคงจะไม่ผิดเพราะท่านอายุแค่สิบเอ็ดปีพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยมือของท่านโดยไม่เจตนาคือขณะที่กำลังคว้างมีดเล่นเกิดคว้างพลาดไปสู่ผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปลายมีดปักเข้าที่สาคัญอย่างบังเองิญ ขณะกระทำความผิดในะพระอาจารย์ประยุทธ์ยังมีอายุยาววัยก็เลยไม่ได้รับโทษทันอาญาบ้านเมืองครั้นอายุครบบวชโยมแม่ก็ทำการอุปสมบทให้ที่วัดกลางอำเภอหัวหินเวลานั้นโยมพ่อเสียชีวิตแล้วบวชครั้งนั้นเป็นการบวชตามประเพณีจริงๆไม่ได้บวชไปเพื่อเรียนก็ทำให้ไม่มีความรู้เรื่องพระธรรมลึกซึ้งอะไรการปฏิบัติกรรมฐานอะไรก็ไม่ได้ปฏิบัติ บวชเป็นพระภิกษุครบพรรษาแล้วก็ลาศิกขาบทออกมาสู่โลกของคาราวะนับตั้งแต่ศึกออกมาพระอาจารย์ประยุทธ์ก็จากครอบครัวมุ่งลงใต้ท่องเที่ยวไปเพื่อทำงานแล้วก็ประกอบอาชีพสารพัดอย่างที่ไหนมีรายได้ดีก็อยู่นานหน่อยพอเห็นว่าไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมก็เดินทางเร่ร่อนต่อไปอีกพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นผู้ที่มีพื้นฐานนิสัยจิตใจเข้มแข็งอดหาร ไม่เคยวันไหวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายใดๆทั้งสิน้นดังนั้นท่านก็เลยมีเพื่อนฝูงลูกน้องมากมายเคยเป็นกับตันเรือตังเกเรือหาปลาขนาดใหญ่แล้วก็ไปเปิดบาร์ตั้งไนทคับที่มาเลเซียย่านที่คนจีนอยู่อาศัยในช่วงชีวิตตอนนี้ได้เกิดเหตุการณ์สาคัญขึ้นนั่นก็คือมีพ่อค้าใหญ่มีอิทธิพล อ, อยู่กรุงเทพ ได้ว่าจ้างให้ขนฟินเถือนไปส่งผู้ซื้อในมาเลเซียทางเรือซึ่งท่านเป็นกับตันเรือตังเกยอยู่แล้วโดยผู้ว่าจ้างให้ค่าจ้าง 2,000 บาทซึ่งเป็นเงินจํานวนสูงมากเลยในเวลานั้นแล้วก็ให้รับค่าฟินกลับมาด้วยสําหรับเงินค่าฟินเถือนนั้นเป็นจํานวนเงินก้อนโตทีเดียวถ้าอาจารย์ประยุทธ์ตัดสินใจรับงานนี้จัดการขนฝินซ่อนไปในเรือตังเกย แล้วก็ล่องไปสู่ประเทศมาเลเซียโดยไม่มีอุปสรรคอะไรเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วผู้ซื้อก็มาติดต่อแสดงตัวปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสองคนผู้ซื้อปิ่นเถื่อนแสดงเล่เหลี่ยมหักหลังซึ่งซึ่งหน้าโดยจะขอจ่ายค่าปิ่นแค่สองพันบาทถ้าไม่ตกลงก็จะจับกุมในข้อหารักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศเจอลูกเล่นนองคนโกงที่มีอำนาจในมืออย่างนี้ อาจารย์ประยุทธ์ในเวลานั้นก็ต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งเพราะถ้ารับเงินค่าวินเทือนกลับไปแค่สองพันบาทพ่อค้าใหญ่ก็ต้องคิดว่าท่านเป็นคนหักหลังซึ่งในวงการนอกกฎหมายถือว่าเป็นการทรยศอย่างรุนแรงจะต้องได้รับการตอบแทนสถานเดียวคือตายแต่ถ้าไม่ยอมมอบวินเทือนให้แก่ผู้ซื้อท่านก็จะถูกจับกลุมทันที และโทษทันข้อหาค้ายาเสพติดของมาเลเซียมีบทลงโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายซึ่งจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งพระอาจารย์ประยุทธ์จึงตัดสินใจเลือกฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทรยศหักหลังทั้งสองคนหลังจากปิดชีวิตสองคนนั้นแล้วท่านก็ยังสั่งให้ผ่าท้องตัดอวัยวะภายในทิ้งทั้งหมดเพื่อไม่ให้ศพลอยขึ้นมา แล้วก็เพื่อปกปิดความผิดแต่เสมือนเป็นกฎแห่งกรรมเพราะแทนที่ศพจะจมหายไปกลับลอยขึ้นมาข้างๆลำเรือและมีคนพบศพในเวลาต่อมาจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบพระาจารย์ประยุทธ์ก็เลยถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาสงสัยฆ่าคนตายแต่ท่านให้การปฏิเสธโดยที่ไม่มีเรื่องกิ่นเข้ามาผัวพันพระจารย์ประยุทธ์ถูกคุมขังอยู่ในมาเลเซียหลายเดือน ระหว่างนั้นถูกนำตัวไปขึ้นศาลหลายครั้งหลายหนเนื่องจากท่านปฏิเสธข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจำเป็นจะต้องหาหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่ออาุผิดท่านให้ได้ตอนขึ้นศาลครั้งที่หกขณะที่รอการพิจารณาของศาลอยู่นั้นได้มีผู้ชายสูงวัยอายุประมาณห้าสิบหกสิบปีมีสง่าราศีผิวพรรณผ่องใสแต่งกายสะอาดเรียบร้อยได้เดินมาหาท่านแล้วก็ถามว่า หลานชายต้องคดีอะไรพระอาจารย์ประยุทธ์กําลังกรัดกลุ่มอารมณ์ขุนมัวเพราะว่าโทษของท่านอาจจะถูกสารพิพากษาประหารชีวิตได้ท่านก็เลยไม่ยอมพูดจาโต้อตอบชายสูงอายุคนนั้นก็ตามเซาซีไม่ยอมเลิกจนท่านลุกหนีไปนั่งอีกที่หนึ่งด้วยความรําคาญกระนั้นชายสูงวัยคนนี้ก็ยังตามไปสอบถามด้วยคําถามเดิมอีกพระอาจารย์ประยุทธ์ทนหงุดหงิดไม่ไหวก็เลยตอบพุ่นห้วไปว่า คดีฆ่าคนชายสูงอายุผู้ลึกลับก็พูดต่อไปอีกว่าหลานชายหลานชายไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษติดคุกหรือว่าประหารชีวิตเดี๋ยวลุงจะช่วยให้พ้นโทษพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ถามว่าจะช่วยวิธีไหนผู้สูงอายุคนนั้นก็บอกว่าลุงจะให้คาถาบทหนึ่งให้จำคาถาบทนี้ไว้เวลาขึ้นศาลให้ว่าคาานี้ แล้วเพ่งมองหน้าผู้พิพากษารับรองว่าหลานต้องพ้นคดีแน่ๆแต่ห้ามบอกคาถานี้กับใครนะพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องคาถาอาคมแม้แต่น้อยไม่ยอมรับว่าคาถาอาคมมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ขณะนั้นมีสภาพไม่ผิดกับคนกำลังจะจมน้ําตายอย่าว่าแต่มีขอนไม้ใหญ่ลอยมาให้เกาะเลยแม้ฟางเส้นเดียวก็ต้องคว้าไว้ก่อนเมื่อชายสูงวัยมาบอกคาถาให้ ท่านก็ท่องจำเอาไว้กระทั่งวันขึ้นศาล ร, รับฟังคำพิพากษาพระอาจารย์ประยุทธ์จึงปฏิบัติตามคำที่ชายสูงอายุลึกลับคนนั้นบอกทุกอย่างแล้วปฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือศาลตัดสินให้ปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ห้ามเข้าประเทศมาเลเซียอีกหลังจากได้รับอิสระภาพแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไม่เคยเห็นหน้าชายสูงอายุคนนั้นอีกเลยต่อมาภายหลังเมื่อท่านบวชได้นานพอสมควร และปฏิบัติธรรมจนเกิดยานรู้เห็นในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อนจึงได้ทราบว่าชายสูงอายุผู้นั้นเป็นเทพที่มาช่วยคุ้มครองชีวิตไว้เพื่อจะเกื้อหนุนให้ท่านมีตาเห็นธรรมในชาตินี้เวลานั้นท่านออกจากประเทศมาเลเซียกลับมาสู่เมืองไทยพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตราบจนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพญี่ปุ่นเปิดฉากลุกรานประเทศไทยด้วยการยกพลขึ้นบกที่ภาคใต้ก่อนทหารของพระเจ้าจากักรพรรดิได้รับการต่อต้านจากทหารตำรวจและพลเรือนอย่างสุดใจขาดดิ้นมีประชาชนทหารตำรวจและเยาวชนพลีชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยและเอการาชของชาติไปหลายชีวิตกระทั่งจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีของไทยเวลานั้นจำยอมเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนในชาติแม้ไทยจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกองทัพญี่ปุ่นแต่ก็เป็นไปโดยภาวะจำยอมประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ยินยอมเป็นมิตรกับญี่ปุ่นด้วยความจริงใจประกอบกับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเอกอัครราชทูตไทยในสหรัฐอเมริกาตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น นักศึกษาไทยในสหรัฐและภาค พ, พื้นยุโรปมารวมตัวกันจากนั้นก็แทรกซึมเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อทำการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นทุกรูปแบบขบวนการเสรีไทยได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากสหรัฐคนไทยรักชาติจำนวนหนึ่งก็แยกย้ายกันออกปฏิบัติการขัดขวางทำลายเส้นทางลำเลียงสเสบียงอาหารและอาวุธยุทธโธปกรณ์ของกองทัพญี่ปุ่นอย่างกว้างขวางสร้างปัญหาให้แก่ทหารญี่ปุ่นตลอดเวลา ในห่วงเวลาที่ประเทศชาติเผชิญกับวิกฤตการพระอาจารย์ประยุทธ์ได้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยใต้ดินด้วยผู้หนึ่งดําเนินการขัดขวางทําลายเส้นทางลําเลียงของทหารญี่ปุ่นในภาคใต้ตลอดเวลาอาศัยที่ท่านมีลูกน้องรักใคร่นับถือเป็นจํานวนมากกลุ่มเสรีไทยของท่านก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดประกาศเป็นปฏิบัติกับกองทัพญี่ปุ่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เกิอสงครามโลกครั้งที่สองได้ไม่นานทางการได้มีคำสั่งยุบทันทัสถานเกาะตาลูเตาจังหวัดสตูลซึ่งเป็นสถานที่กักขังนักโทษการเมืองเนื่องจากขาดงบประมาณแล้วก็การส่งสเสบียงอาหารจากฝั่งไปยังเกาะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นเกาะตาลูเตาก็ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่พระอาจารย์ประยุทธ์นาลูกน้องบริวารขึ้นไปอาศัยเกาะตาูเตาเป็นฐานที่มั่นอย่างซ่อนเร้น แล้วเปิดฉากเป็นโจรสลัดในนามขุนโจรอิสไมเอะนำเรือตังเกติดอาวุธสงครามเข้าปล้นเรือขนส่งสเสบียงของกองทัพญี่ปุ่นเมื่อปล้นสเสบียงอาหารมาได้ก็นำมาแจกจ่ายแบ่งปันให้กับชาวบ้านตามแนวชายฝั่งทะเลที่กำลังประสบความอดอยากขาดแคลนขุนโจรอิสไมเอะอลวาสตลอดหน้านน้ำทะเลหลวงจนเป็นที่หวาดหวั่นของขบวนเรือลำเลียงของทอาหารญี่ปุ่น เนื่องจากการเข้าจู่โจมเข้าปล้นแต่ละครั้งจะมีการวางแผนอย่างชาญฉลาดและเข้าโจมตีชนิดเฉียบขาดรุนแรงทำให้ทหารญี่ปุ่นสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากทหารญี่ปุ่นเคยส่งกองเรือเร็วออกตามล่าเรือโจรสลัดอิสไมเอร์ไม่ลดละแต่ไม่ประสบความสาเร็จเพราะฝ่ายโจรสลัดมีความชำนาญในพื้นที่น่านน้ามากกว่าและเรือก็ติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีความเร็วสูง สามารถหลบหนีไปได้โดยง่ายที่เกาะ ต, ตาูเตาซึ่งเป็นแหล่งกบดานของขุนโจรอิสมาเอลในขณะนั้นเป็นที่รวมของขบวนการเสรีไทยในคราบโจรสลัดกลุ่มใหญ่เกือบ200คนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วบทบาทของขุนโจรอิสมาเอลก็ยังไม่ยุติเรือโจรสลัดยังชักธงรบอาลวาตลอดหน้ า, น, า น, น้ำทะเลหลวงระหว่างประเทศไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายที่เรือสินค้าส่งข้าวออกนอกประเทศสาเหตุที่โจรสลัดอิสมาอลไม่ยอมวางอาวุธและปิดฉากความเป็นโจรก็เนื่องจากมีพ่อค้าและนักการเมืองกลุ่มหนึ่งชกฉวยโอกาสแสวงหาความร่ำรวยจากความอดอยากขาดแคลนซึ่งแพร่กระจายไปทั่วทุกประเทศในโลกลักลอบส่งข้าวสารไปขายให้แก่มาเลเซียและสิงคโปร์ทั้งๆที่ภายในประเทศก็กาลังขาดแคลนอาหารอย่างหนัก การกระทำเช่นนี้เท่ากับซ้ำเติมประชาชนในชาติให้ได้รับความทุกขยากลำเค็นสาหัสยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นขุนโจรอิสมแม่จึงออกไล่ล่าเรือบรรทุกข้าวออกนอกประเทศทุกลำพบเมื่อไหร่ก็ปล้นเมื่อนั้นกระทั่งการค้าข้าวส่งออกนอกของคนกลุ่มนี้ต้องชะ ง, งักงันกลุ่มพ่อค้าอิทธิพลส่งคนมาเจรจากับขุนโจรอิสมแม่ยื่นข้อเสนอขอให้เลิกปล้นโดยจะมอบเงินค่าคุ้มครองให้จำนวนหนึ่ง ขุนโจรอิสมาเอลให้คำตอบกลับไปสั้นๆว่าถ้าจะให้หยุดการปล้นก็ต้องหยุดส่งข้าวออกนอกประเทศเมื่อตกลงกันไม่ได้ฝ่ายพ่อค้าอิทธิพลก็หาทางกดดันในทางการเข้มงวดในการปราบปรามโจรสลัดอิสมาเอลหนักมือยิ่งขึ้นแต่ทะเลอันกว้างใหญ่และเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายย่อมทำให้ขุนโจรอิสมาเอลซึ่งรู้ลู่ทางอย่างเจนจบ หลบหลีกซ่อนเร้นการไล่ล่าของฝ่าเจ้าหน้าที่โดยไม่ยากขณะที่มีการตามล่าเรือโจรสลัดอิสมาเอียอย่างหนักทําให้ขุนโจรอิสมาเอียไม่กล้าเปิดเผยร่องรอยและจําต้องนําเรือไปหลบซ่อนตามเกาะต่างๆเพื่อหลีกเล้นการค้นหาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในช่วงที่ขุนโจรอิสมาเอียกาลังอําพรางหนีการไล่ล่าพวกพ่อค้าอิทธิพลก็ถือโอกาสส่งเรือขนข้าวออกนอกประเทศเป็นการใหญ่ แต่การตามล่าของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นไปอย่างเข้มแข็งชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อไม่พบเห็นแม้แต่เงาของเรือโจรสลัดการติดตามค้นหาก็ผ่อนเพลีลงเมื่อทั้งฝ่ายบ้านเมืองปฏิบัติหน้าที่ย่อหย่อนขุนโจรอิสแมแอก็ออกอารวาสอีกเรือมรรทุกข้าวสารส่งต่างประเทศก็ถูกโจรสลัดจู่โจมเข้าปล้นแทบจะไม่มีเรือมรรทุกข้าวสารลำใดหลุดรอดเงื้อมือขุนโจรอิสแมแอไปได้ หากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะระดมศัพท์กำลังออกตามล่าโจรสลัดอย่างจริงจังขุนโจรอิสไมแอร์ก็หลบฉากเงียบหายไปไม่ปรากฏร่องรอยเหมือนกับสาบสูญครั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ลดความเข้มแข็งลงเมื่อไรสลัดทะเลหลวงนำอิสไมแอร์ก็จะปรากฏโฉมออกปฏิบัติการปลดอีกสถานการณ์ระว่างโจรสลัดกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินไปในรูปนี้ตลอดเวลา เป็นเวลาห้าปีเต็มๆที่พระอาจารย์ประยุทธ์ออกจากบ้านไปเผชิญชีวิตโดยที่ไม่มีข่าวคราวแจ้งให้ทางบ้านได้รับรู้แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นทางบ้านก็ไม่สามารถจะติดต่อท่านได้ในทุกกรณีกระทั่งท่านเดินทางกลับบ้านเนี่ยมาอย่างเงียบๆกลับมาพบกับความสะเทือนใจอย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตนั่นก็คือโยมแม่ของท่านถึงแก่กรรมไปแล้ว ถ้าจันประยุทธ์มีความรักความผูกพันกับโยมแม่เป็นอย่างสูงเมื่อมารับรู้การพลัดพรากจากไปโดยไม่มีวันหวนกลับมาอีกของโยมแม่ก็ทําให้ท่านบังเกิดความเศร้าสลดสุดจะพรรณนาพี่สาวและน้องสาวเล่าให้ท่านฟังว่าหลังจากที่ท่านออกจากบ้านไปแล้วก็เงียบหายประหนึ่งตายจากโยมแม่ก็มีแต่หดหูเสียใจทุกเวลานาทีก็ว่าได้ ย่แม่ก็มักจะท่ำครวญถึงลูกชายคนเดียวเสมอว่าเล็กของแม่ไม่รู้ว่าลูกจะเป็นตายอยู่ที่ไหนทําไมถึงไม่ส่งข่าวมาให้แม่รู้บ้างได้ยินเขาพูดว่าแม่พร่ําว่าคําว่าเล็กของแม่พระอาจารย์ประยุทธ์แทบจะกลั้นสะอื้นเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าถ้อยคําประโยคนี้เป็นคําพูดของแม่เรียกชื่อเล่นของท่านด้วยความรักความเอ็นดูตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่มาโดยตลอด บัดนี้ถ้อยคำว่าเล็กของแม่นี่จะไม่ได้ยินอีกแล้วตราบชั่วชีวิตเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์ระงับใจจนสงบลงได้แล้วท่านก็ปลีกตัวจากพี่สาวน้องสาวไปนั่งเบื้องหน้ารูปถ่ายของโยมแม่รำลึกถึงพระคุณอันมากล้นสุดประมาณเพียงลำพังขณะที่จิตแน่วแน่อยู่กับความคิดถึงโยมแม่เพียงจุดเดียวจิตก็พลันสงบนิ่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน จิตซึ่งรวมตัวดิ่งสู่ความสงบภายในชั่ววูบนั้นประหนึ่งได้หลุดพ้นจากภาวะโลกปัจจุบันไปสู่อีกมิติหนึ่งหรือว่าอีกภาวะหนึ่งแล้วก็เป็นมิติที่น่าหวาดหวั่นพ่านพรึงเป็นที่สุดในความรู้สึกรับรู้และรู้เห็นบางสิ่งบางอย่างขณะพระอาจารย์ประยุทธ์กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้ารูปถ่ายโยมแม่คล้ายๆกับตัวท่านเหมือนกับแยกออกเป็นสองร่าง ร่างที่สองนี่หลุดเข้าไปยังอีกโลกหนึ่งโลกซึ่งมีบรรยากาศน่ากลัวเหลือที่จะกล่าวเพราะว่าทุกขนทุกแห่งแดงฉานด้วยเปลวไฟที่ลุกโชช่วงพระจานทร์ประยุทธ์รู้โดยไม่ต้องมีใครบอกกล่าวว่านี่คือนรกและการหลุดเข้ามาสู่โลกนรกแห่งนี้ไม่ใช่มาแค่พบเห็นเท่านั้นหากท่านกำลังถูกชายสี่คนฉุดกระชากลากตัวไปใส่เครื่องจองจา แล้วก็จะถูกโยนลงไปในกระทะทองแดงอันมีน้ำร้อนเดือดพล่านพระจานทร์ประยุทธ์ไม่เคยมีความรู้สึกหวาดกลัวครั้งใดเท่ากับตกอยู่ในเหตุการณ์เวลานั้นท่านพยายามขัดขืนดิ้นรนไม่ยอมให้ถูกลากตัวไปลงกระทะทองแดงแต่ว่าเรี่ยวแรงของท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยด้วยความกลัวสุดขีดพระจาจาร์ประยุทธ์รำลึกได้ถึงโยมแม่คนเดียวก็ตะโกนเรียกโยมแม่สุดเสียงว่าแม่ช่วยลูกด้วย สิ้นเสียงเรียกหาโยมแม่ปรากฏว่ามีใบบัวขนาดใหญ่มหขึนมาผุดขึ้นมาช้อนร่างท่านลอยขึ้นสู่เบื้องบนหลุดรอดจากการยื้ยุดจับกลุ่มตัวของชายสี่คนไปได้การที่มีใบบัวผุดขึ้นมาช่วยพระอาจารย์ประยุทธ์ในช่วงเวลาคับขันอย่างนี้คือกุศลความดีซึ่งเป็นบุญบา ร, รมีของโยมแม่แผ่เข้ามาช่วยท่านไว้อย่างแน่นอน เพราะตลอดชีวิตของโยมแม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีมาโดยตลอดดำรงตนอยู่ด้วยศีลทานภาวนาตราบลมหายใจสุดท้ายหลุดพ้นจากโลกหน้าสะพึงกลัวมาได้พระอาจารย์ประยุทธ์ก็ขึ้นมาพบโลกใหม่ซึ่งผิดแผกแตกต่างจากโลกนรกเหมือนหลังมือเป็นหน้ามือโลกใหม่ที่ท่านพบเห็นเวลานั้นสว่างสดใส ชวนให้เรื่อนรมเลอะเกินทรัพสิ่งทั้งหลายวิจิตงดงามเหลือที่จะกลับและเบื้องหน้าของท่านมีวิมานหลังหนึ่งปรากฏอยู่วิมานหลังที่ว่านี้มีประกายเจิดจ้าระยิบระยับเหมือนหนึ่งประกอบด้วยเพชรมณีอันล้ำค่าความงามของวิมานไม่เคยเห็นมีอยู่ในโลกมนุษย์นอกจากวิมานแล้วก็ยังมองเห็นเทพธิดาจานวนมากเยืองกลายไปมาด้วยอิริยาบถอ่อนช้อยงามจับตา เทพธิดาแต่ละนางก็มีรูปร่างผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสหากจะประมาณอายุก็ไม่เกิน 17-18 ปปีและยังบิธที่หน้าประหลาดก็คือเทพธิดาแต่ละนางต่างมีความสูงราวหกศอกเท่ากันหมดอาจารย์ประยุทธ์ลืมตาขึ้นก็พบว่าตนเองกำลังอยู่เบื้องหน้ารูปโยมแม่เมื่อรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน พระอาจารย์ประยุทธ์ขณะนั้นก็ได้จะนั่งงงันไม่เข้าใจว่าเหตุชไหนถึงได้พบเหตุการณ์เรื่องราวอย่างน่าอัศจรรย์อย่างนั้นท่านไม่รู้ว่ากรรมฐานคืออะไรหมายถึงอะไรและแม้แต่คําว่ากรรมฐานก็แทบจะไม่เคยรู้จักเหตุนี้พระอาจารย์ประยุทธ์จึงไม่รู้ว่าท่านใดกรรมฐานพรกจิตเพ่งแนวแน่ไปยังโยมแม่กระทั่งเกิดสมาธิอย่างอัศจรรย์ได้สมาธิได้นิมิตซึ่งเสมือนชี้นาให้เห็นถึงอนาคตของท่านว่าจะดําเนินไปในแนวไหน นับจากนาทีที่พระอาจารย์ประยุทธ์ผ่านพบประสบปการ์เหนือโลกเหนือเหตุผลที่ว่าก็ทำให้ท่านระหนักถึงสัจจะความจริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตเลือดเนื้อว่าเป็นอย่างไรเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรบาปอากุศลและกุศลผลบุญมีผลเพียงใดต่อการมีชีวิตในชาตินี้ความไม่เชื่อความลังเลสงสัยในเรื่องด ร, รกสวรรค์ซึ่งตรึงแน่นอยู่ในมนโนคติ ดูเหมือนจะอันตรทานหายไปจนหมดสิน้นความคิดใหม่ที่ผุดขึ้นมาเป็นปัญญาซึ่งตั้งมั่นอยู่บนสติและในชีวิตของพระอาจารย์ประยุทธ์ไม่เคยคิดพิจารณาถึงความเป็นไปของมนุษย์อย่างลึกซึ้งกว้างไกลถึงเพียงนี้ท่านพักอยู่กับครอบครัวของท่านเพียงไม่กี่วันก็เตรียมตัวเดินทางต่อไปอีกวันสุดท้ายที่ท่านอำลาพี่สาวและน้องสาวเพื่อจากไปพี่สาว ซึ่งมีความห่วงใยถามว่าจะไปที่ไหนท่านก็ตอบไม่ได้พี่สาวก็นำเงินสดมามอบให้เป็นจำนวน5 0 0พันบาทเพื่อติดตัวไว้ใช้ใจ่ายยามจำเป็นพระอาจารย์ประยุทธ์ไม่อาจจะบอกพี่สาวได้ว่าท่านไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแม้แต่น้อยเพราะถ้าบอกออกไปคงจะมีการซักถามอีกว่าท่านไปได้เงินมาจากไหนดังนั้นท่านจึงหยิบเงินไปเพียงห้าร้อยบาทเพื่อให้พี่สาวสบายใจ แล้วก็บอกให้นําเงินที่เหลือทั้งหมดไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่โ ย, ยมแม่จากนั้นท่านก็อําลาจากไปภาคใต้คือพื้นที่ที่ท่านชํานาญลู่ทางชนิดทะลุปโปรง่งประกอบกับมีลูกน้องบริวารมากมายรอคอยอยู่เมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์กลับไปอยู่ภาคใต้ได้ระยะหนึ่งท่านก็พบกับพระภิกษุไวยชราผู้มีปฏิปทาศีลาจารวัตหน้าเคารพเลื่อมใสรูปหนึ่ง จากการได้พบกับพระภิกษุรูปทีทำให้ท่านตัดสินใจสละเพศคารวะเข้าสู่เพศบรรณชิตและก่อนจะหันหลังให้กับวิถีทางโลกท่านได้นำเงินทองของมีค่าซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวทั้งหมดมามอบให้เพื่อ น, อนและลูกน้องบริวารทุกคนจนหมดสิน้นจากนั้นท่านก็เข้าวิธีอุปสมบทอย่างเงียบๆพระอาจารย์ประยุทธ์ได้อยู่ใกล้กับพระภิกษุวัยชาราซึ่งท่านเรียกว่าหลวงปู่ แต่ท่านก็ไม่เคยเปิดเผยว่าหลวงปูนะ่นั้นมีชื่อว่าอะไรอยู่กับหลวงปู่เป็นเวลาหนึ่งปีในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาพระอาจารย์ประยุทธ์ได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดจนทุดงขวัตจากหลวงปู่ทั้งหมดตลอดเวลาที่ย่างก้าวเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกซึ่งเปิดตาให้มองเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดและชี้ทางไปสู่มรรคผลนิพพาน เพื่อตัดสบัญวงวัตะแห่งความทุกข์อย่างสําเร็จเด็ดขาดพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ยิ่งต้องการจะศึกษาเรียนรู้พระธรรมซึ่งสูงล้าขึ้นไปอีกเมื่อพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ครบหนึ่งปีแล้วหลวงปู่ก็ได้เรียกมาพบแล้วก็บอกว่าความรู้ที่ท่านมีก็ถ่ายทอดให้ไปจนหมดสิน้นถือได้ว่าเป็นที่สิ้นสุดความรู้ของท่านฉะนั้นถึงเวลา ที่จะต้องไปพบกับครูบาอาจารย์ซึ่งมีความรู้สูงกว่าขึ้นไปอีกแล้วท่านก็บอกให้ทราบว่าพระอาจารย์รูปต่อไปอยู่ที่ไหนรูปร่างหน้าตาแล้วก็อุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรพระอาจารย์ประยุทธ์เรียนถามว่าพระอาจารย์รูปนี้ชื่ออะไรหลวงปู่ตอบว่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรรู้แต่ว่าอยู่ทางภาคเหนือพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ถามด้วยความสงสัยตอไปว่าทาไมหลวงปู่ถึงไม่รู้ชื่อไม่รู้สถานที่อยู่ แล้วจึงได้ทราบว่าพระอาจารย์ที่ว่าเนี่ยจะเป็นพระอาจารย์รูปต่อไปของท่านหลวงปู่อธิบายสั้นๆว่าที่ท่านรู้เนื่องจากติดต่อกันทางจิตหลวงปู่กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าพระอาจารย์รูปใหม่ของท่านรูปนี้มีนิสัยตรงไปตรงมาผู้จ่าผงผังเป็นผู้ไม่ชอบการอ้อมค้อมอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรเลวก็แสดงชี้ชัดออกไปเลยนอกจากนี้หลวงปู่ยังบอกความสาคัญอีกข้อหนึ่งว่า การเดินทางไปพบพระอาจารย์รูปที่ว่านี่จะอาศัยพาหนะอื่นๆเช่นรถเรือเกวียนไม่ได้ต้องเดินทุดงไปเพียงอย่างเดียวเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็กราบลาหลวงปู่เริ่มต้นจาลิกทุดงจากภาคใต้สู่ภาคเหนือเพื่อไปพบกับพระอาจารย์รูปใหม่ของท่านซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็จะได้พบกันอย่างไร แม้การเดินเท้าจากริกทุดงด้วยเส้นทางอันไกลแสนไกลครั้งนี้จะมีจุดหมายปลายทางที่ลางเลือนไม่แน่นอนแต่พระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไม่ได้มีความลังเลสงสัยหรือว่าท้อแท้ขาดความมั่นใจใดๆทั้งสิ้นช่วงที่พระอาจารย์ประยุทธ์ทูดงจากภาคใต้ขึ้นสู่ภาคเหนือบ้านเมืองเวลานั้นอยู่ในภาวะหลังสงครามความอดอยากขาดแคลนครอบคลุมไปทั่วประเทศ อาหารการบริโภคก็แทบจะไม่มีจะกินก็ว่าได้ถึงมีก็ราคาแพงลิบเลิว่วกล่าวได้ว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงอย่างแท้จริงประชาชนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้การทำบุญให้ทานประกอบการกุศลจึงลดน้อยลงไปพระภิกษุจำต้องพึ่งการใส่บาตรบริจาคทานเลี้ยงชีวิตจึงพลอยได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วย พระอาจารย์ประยุทธ์ธุดงจากภาคใต้สู่ภาคกลางจากภาคกลางสู่ภาคเหนือเป็นระยะทางรวมแล้วเกือบ2 0 0พันกิโลเมตรนับเป็นระยะทางที่ยาวไกลเป็นอย่างยิ่งประกอบกับในยุคสมัยนั้นเส้นทางคมนาคมยังไม่เจริญและสะดวกสบายเช่นปัจจุบันชุมชนหมู่บ้านมีอยู่ห่างๆกระจัดกระจายการจาริกธุดงของพระอาจารย์ประยุทธ์จึงประสบกับความลาบากเป็นที่สุด นอกจากความธุระกันดานของเส้นทางแล้วยังขาดแคลนผู้ใส่บาตรเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้บางทีหลายๆวันท่านจึงจะได้ฉันสักมือความลำบากยากแค้นที่จำต้องเผชิญประดุดเป็นการทดสอบความอดทนอดกลั้นและความมานะบากบั่นที่จะพาฟันไปสู่จุดหมายปลายทางได้หรือไม่ความลำบากทั้งหลายซึ่งประดังเข้ามาไม่ได้ทำให้พระอาจารย์รันทศท้อถอยแม้แต่น้อย แต่ละวันท่านจะดุมเดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆครั้นถึงเวลาเย็นย่ำก็หยุดพักหาสถานที่อันเหมาะสมปักหลดเมื่อรัติการมาเยือนท่านก็สวดมวนต์ไหว้พระปฏิบัติกิจของสงฆ์เป็นปกติจากนั้นจึงปฏิบัติภาวนาจเจริญสมาธิก่อนที่จะพักผ่อนจำวัดเช้าวันรุ่งขึ้นพอได้อารุณท่านก็ออกบิณฑบาตโปรดรั์ตามปกติจะมีคนใส่บาตรหรือไม่มีเลยก็ไม่เป็นไร จะได้ฉันหรือไม่ได้ฉันก็ไม่ได้ขัดข้องถึงเวลาท่านก็เก็บอัฐบริขารเดินทุดงต่อไปอีกในช่วงที่ลงจากใต้ผ่านทางอำเภอหัวหินผ่านที่อยู่อาศัยของครอบครัวของท่านพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไม่ได้แวะเข้าไปเยี่ยมเยือนพี่สาวน้องสาวไม่คิดจะบอกกล่าวให้รู้ว่าบัตรนี้ท่านครองชีวิตในฐานะอะไรคงเดินผ่านหัวหินไปโดยสงบ พระอาจารย์ประยุทธ์ใช้เวลาเดินทุดงขึ้นมาจากใต้จนถึงภาคเหนือนานถึงสามเดือนเต็มๆ เ, เมื่อเหยียบย่างเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์ประยุทธ์ก็รู้โดยจิตของตนว่าพระอาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนในอนณาเขตเมืองเชียงใหม่นี้ขณะนั้นหลวงปู่ตื้ออ จ, จะลธรรมโมกําลังสร้างสำนักสงฆ์อยู่ที่อําเภอแม่ริมปัจจุบันนี้ก็คือวัดป่าดาราพิรม์สำนักสงฆ์แห่งนี้มีเพียงศาลาเล็กๆไม่กี่หลัง กุติเหล่านี้พออาศัยบังแดดคุ้มผลขณะปฏิบัติสมณธรรมเท่านั้นแล้วก็มีพระเนนอยู่กับหลวงปู่ตื้อไม่กี่รูปเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์เดินเข้ามาในเขตสำนักสงฆ์ท่านก็เห็นหลวงปู่ตื้อนั่งอยู่ที่ศาลาเพียงลำพังสังเกตดูรูปร่างลักษณะตรงกันกับที่หลวงปู่บรรยายเอาไว้ทุกประการท่านก็ตรงเข้าไปหาหวางอัฐบริขารพรุงผนังแล้วก็ก้มลงกราบนมัส ก, การ หลวงปู่ตื้อก็นั่งมองดูสงบเฉยอยู่พระอาจารย์ประยุทธ์กราบเรียนว่าเดินทางมาจากใต้เป็นเวลาสามเดือนตั้งใจมาฝากตัวขอเป็นสิทธิ์เรียนปฏิบัติธรรมด้วยหลวงปู่ตืมองหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามตรงๆ ต, ต, ตามนิสัยของท่านว่าก่อนบวชเนี่ยทำมาหากินอะไรตอบมาตามความจริงเนี่ยเป็นโจรครับ หลวงปู่ตื้อกล่าวว่าเมื่อต้องการจะมาเป็นสิทธ์ก็ต้องให้สัจจะวาจาข้อหนึ่งจะได้หรือไม่พระอาจารย์ประยุทธ์ก็บอกว่าได้หลวงปู่ตื้อก็จุดธูปปักในกระถางเบื้องหน้าพระประธานบนสลาแล้วก็ให้พูดตามท่านว่าจะบวชตลอดชีวิตไม่ลาสิกขาบทพระอาจารย์ประยุทธ์ก็กล่าวตามโดยไม่ลังเลนับแต่นาทีนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์ จึงนับเป็นสิทธ์อีกรูปหนึ่งของหลวงปู่ตือ้ออ จ, จะละธรรมโมพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้อมรับคำสอนการปฏิบัติกรรมฐานเป็นลำดับขั้นตอนจากนั้นก็แยกไปปฏิบัติห่างเมื่อมีข้อขัดข้องอย่างไรก็จะไปถามหลวงปู่ตื้อทุกครั้งครั้นได้รับคำชี้แจงกระทั่งหมดข้อสงสัยแล้วก็กลับไปปฏิบัติใหม่ หลวงปู่ตือ้ออจละธรรมโมมีนิสัยไม่ติดเสนาสนะไม่ติดสถานที่ท่านจึงพอใจจาริกไปสู่ป่าเขาแนวไพรอันสงบสงัดเพื่อกระทำความเพียรเป็นทางสายเอกดังนั้นพระอาจารย์ประยุตจึงได้ติดตามท่านไปทุกขนทุกแห่งเมื่อไปถึงสถานที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมท่านก็จะแยกไปปักโกรธห่างๆไม่มาคลุกคลีใกล้ชิดโดยไม่จาเป็นนอกจากร่วมทางไปบินทบาท แล้วก็มาปรนนิบัติครูบาอาจารย์ด้วยความกตัญญูกะตะเวทีเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็แยกไปกระทําความเพียรเพียงลําพังเป็นเวลาสามปีที่พระอาจารย์ประยุทธ์เป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่ตื้อตลอดระยะเวลายาวนานพอสมควรที่ว่าพระอาจารย์ประยุทธ์ได้รับอุบายธรรมอันแยบคายจากหลวงปู่ตื้อชี้นําในการปฏิบัติภาวนาจนทําให้ผลการปฏิบัติรุดหน้าไปกว่าเดิมอย่างน่าพอใจ กระทั่งเป็นที่วางใจของหลวงปู่ตื้อว่าสามารถจะเอาตัวรอดได้แล้วท่านก็อนุญาตให้พระอาจารย์ประยุทธ์ออกไปทำความเพียรโดยลำพังในป่าเขาสงบสงัดตามใจชอบพระอาจารย์ประยุทธ์มีความเคารพ บ, บูชาหลวงปู่ตื้อพระอาจารย์ของท่านอย่างสูงระหว่างที่อยู่ปรนิบัติอาจารย์ท่านได้รู้เห็นอภิญญาญาณของหลวงปู่หลายครั้งหลายหนมีอยู่คราวนึงเป็นเวลากลางคืน พระเนนส่วนใหญ่แยกย้ายกันกลับกุฏิหมดแล้วเหลือเพียงพระอาจารย์ประยุทธ์กับเนนน้อยอีกรูปหนึ่งอยูย่ๆหลวงปู่ตื้อได้สั่งให้เนนไปต้มน้ํากาใหญ่ขึ้นมากาหนึ่งเพื่อชงน้ําชาแล้วก็ให้จัดเตรียมถ้วยชาไว้อีกห้าสิบใบเนนบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้จะให้ต้มน้ําร้อนไปทําไมหลวงปู่ตอบว่าให้ต้มก็ต้มไปเถอะเนนก็รีบไปทําตามที่ท่านสั่ง พระอาจารย์ประยุทธ์เองก็เกิดความสงสัยเช่นเดียวกันได้เรียนถามท่านบังหลวงปู่ก็อธิบายว่าคืนนี้จะมีญาติโยมจากกรุงเทพมาที่นี่สักครู่ใหญ่ๆก็มีรถบัสแล่นเข้ามาจอดในบริเวณวัดแล้วก็ญาติโยมก็ลงมาจากรถมากราบนมัสการหลวงปู่โดยมีจำนวนเท่ากับถ้วยชาที่ท่านสั่งให้เตรียมพร้อมไว้พอดีอีกคราวหนึง่งขณะที่พระอาจารย์ประยุทธ์นั่งอยู่กับหลวงปู่ท่านก็สั่งว่าตุไทยรีบไปสงน้ำไว้ หลวงปู่ตื้อนี่ชอบเรียกพระอาจารย์ประยุทธ์ว่าตุไทยแล้วก็ตามปกติท่านไม่เคยยุ่งเรื่องการส่งน้ำมาก่อนก็ทำให้พระอาจารย์ประยุทธ์เกิดความสงสัยก็เรียนถามท่านว่าจะให้ท่านไปส่งน้ำทำไมหลวงปู่ก็บอกว่าเย็นนี้ตอนห้าโมงจะมีโยมผู้ชายเข้ามานิมนไปปัดลังกวานให้ลูกเขาลูกเขาตกต้นลำใหญ่แต่ว่าเด็กกระต้ n g ตายแน่แนไม่รอดหรอกจะให้ตุไทยไปแทน พระอาจารย์ประยุทธ์ก็รีบไปส่งน้าส่งน้ําเสร็จยังไม่ทันคลองผ้าให้เรียบร้อยก็มีโยมผู้ชายขับรถปิกอัพเข้ามาในวัดเข้าไปกราบหลวงปู่ตือ้ขอขอนิมนต์ไปปัตรรางควานให้ลูกชายจริงๆเมื่อหลวงปู่ตื้อให้พระอาจารย์ประยุทธ์ไปแทนก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะช่วยชีวิตลูกชายของโยมผู้นั้นได้ด้วยเหตุ น, นี้พระอาจารย์ประยุทธ์ก็มีความเคารพเลื่อมใสหลวงปู่ตือ้อพระอาจารย์ของท่านเป็นอย่างสูง หลังจากได้รับอนุญาตให้ออกท่องเที่ยวทุดงเพียงลำพังท่านก็จาริกไปตามป่าตามถ้ำที่น่าพอใจสถานที่ใดเป็นสปายะท่านก็หยุดยั้ยงปฏิบัติทำความเพียร น, นานหน่อยเมื่อใดที่รู้สึกว่าเกิดความเคยชินสถานที่ท่านก็จะจาริกต่อไปทันทีพระอาจารย์ประยุทธ์มีปฏิปทาที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งกล่าวคือการงดฉันอาหารเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกันบางครั้งเจ็ดวัน บางครั้งสิบห้าวันบางครั้งนานถึงหนึ่งเดือนก็เคยปรากฏการงดอาหารของท่านมักจะเนื่องจากการเจริญภาวนาเป็นไปด้วยดีท่านจึงไม่มีความกังวลสนใจในเรื่องอาหารขบฉันมีเพียงน้ำสาหรับฉันก็พอแล้วระหว่างที่ท่านจะริกทุดงไปตามป่าเขาแนวไพรเพียงลำพังท่านได้นิมิตในสมาธิขณะภาวนาถึงถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานอันเป็นมงคลยิ่งสาหรับตัวท่าน หากว่าได้ไปภาวนาที่ถ้ำแห่งนั้นจะทําให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นแต่การค้นหาถ้ำที่ว่าเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายงายท่านต้องใช้เวลาถึงสามปีจึงมาพบถ้ำในนิมิตนั่นก็คือถ้ำผาพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อพบถ้ำผาพุงแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไปปักหลดอยู่ตรงเชิงเขาซึ่งเป็นที่ราบโลง่งไม่มีต้นไม้ หรือว่าเงื้ิมหินพอจะเป็นร่มเงามุงบังได้เลยการมาพบถ้ำนิมิตซึ่งระบุบ่งชี้ว่าจะทำให้เจริญในธรรมและเพิ่มบา ร, รมีให้ปรากฏเป็นเงื่อนเขาแห่งความจริงตั้งแต่วันแรกที่ท่านมาถึงนั่นก็คือมีชายจักรันกลุ่มหนึ่งท่าทางหยาบกร้านเข้ามาบอกให้ท่านถอนกรดไปจากที่นี่เสียพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ถามเงเหตุผลว่าทาไมถึงต้องการให้ท่านไปจากที่นี่ผู้ชายกลุ่มนั้นก็ตอบไม่ได้ ท่านก็อธิบายว่าพระทุดงซึ่งมาปฏิบัติธรรมในสถานที่อันเป็นสาธารณะเช่นนี้ย่อมไม่เป็นที่รบกวนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่หรือไปเนี่ยย่อมไม่มีใครมาบังคับสั่งการได้พระจารยร์ประยุทธ์แสดงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่ยอมถอนกดเคลื่อนย้ายไปไหนผู้ชายกลุ่มที่ว่าก็ใช้วาจาข่มขู่ท่านต่างๆนาน า, นาแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะพระจานทร์ประยุทธ์วางเฉยต่อคาพูดข่มขู่เหล่านั้นเสีย ในที่สุดผู้ชายกลุ่มที่ว่านี้ก็จากไปด้วยความผิดหวังเหตุที่มีคนมาขับไล่พระอาจารย์ประยุทธ์ไม่ต้องการให้ท่านอยู่ในสถานที่นี้ก็เนื่องจากมีคนกลุ่มหนึ่งกําลังลักลอบตัดไม้ทำลายป่าผู้เป็นนายทุนใหญ่ของผู้ทำผิดกฎหมายและทำลายทรัพยากรของชาติก็คือเสียเจ้าของโรงเลื่อยแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้เสียใหญ่ไม่ต้องการให้พระอาจารย์ประยุทธ์มาปักกลดปฏิบัติธรรมที่ถ้าแห่งนี้ ก็เพราะไม่ต้องการให้ท่านรู้เห็นการกระทำของพวกตัวจึงส่งคนมาขับไล่เมื่อพระทุดดงคือพระจารย์ประยุทธ์ไม่เกรงกลัวคำขู่แล้วก็มายอมเคลื่อนย้ายออกไปอาเสียใหญ่ก็สั่งให้ชาวบ้านซึ่งอยู่อาศัยในละแวกนั้นห้ามนำอาหารมาใส่บาดพระทุดดงอย่างเด็ดขาดโดยเชื่อว่าถ้าไม่มีคนใส่บาดพระทุดดงไม่มีอะไรจะฉันในที่สุดท่านก็ต้องเก็บอัฐบริขารจากไป การที่เสียใหญ่เจ้าของโรงเลื่อยมีอำนาจบัญชาให้ชาวบ้านทำตามความประสงค์ของตัวได้ดุดเป็นเจ้าชีวิตอย่างนี้ก็เนื่องจากชาวบ้านทุกรัวเรือนต่างเป็นลูกจ้างรับตัดไม้ให้แก่อาเสียคนนี้แทบทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของเสียนายทุนเพราะรัวจะเดือดร้อนไม่มีไรายได้กลุ่มชายชกันที่มาขับไล่พระธุดงไม่เป็นผลก็กลับไปรายงานเสียใหญ่เจ้านายของตัวว่าพระธุดงดื้อรั้นไม่ยอมไป เสียเจ้าของโรงเลื่อยจึงต้องมาพบพระอาจารย์ประยุทธ์เองแล้วก็เปิดฉากเจราจาเกลี้ยกล่อมให้ท่านลงจากเขาแต่พระอาจารย์ก็คงยืนยันเหมือนเดิมคือจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนท่านพูดยืนยันสั้นๆว่าออถ้าโยมเสียต้องการให้ลงจากเขาเสียก็ต้องลงจากเขาด้วยนั่นหมายถึงว่าอาเสียต้องหยุดการตัดไม้ทำลายป่าอย่างเด็ดขาดนั่นเอง เสียใหญ่เจ้าของโรงเรื่อยก็ล่าถอยกลับมาด้วยความผิดหวังเช่นเดียวกับลูกน้องของตัวเหมือนกันเช้าวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ออกบินทบาทตามกิจของท่านแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดใส่บาดแม้แต่คนเดียวเมื่อไม่มีใครใส่บาด ท, ท่านก็ไม่เดือร้อนอะไรเพราะว่าเคยชินต่อการงดฉันอาหารเป็นปกติแล้วเมื่อไม่มีพัฒหารท่านก็วางเฉยเป็นปกติ กลับมาถึงกรดแล้วก็เข้าที่ภาวานาเดินจงกรมตามวัดปฏิบัติเช่นทุกวันเช้าวันต่อมาพระอาจารย์ก็ออกไปบินธบาตอีกแล้วก็ไม่มีใครใส่บาตรอีกเหมือนเดิมกระนั้นท่านก็ไม่แสดงอาการอันไม่เป็นสุขแต่อย่างใดสงบสำรวมอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นฝ่ายอาเสียซึ่งส่งคนมาสอดแน้มแอบดูพระธุดงว่าจะมีปฏิกริยาหรือไม่ที่ไม่มีอาหารขบฉัน เมื่อรับรายงานจากคนสอนแนวว่าพระทุดดงยังคงวางเฉยเป็นปกติอาเสียก็กลับเป็นฝ่ายขุนเคืองใจเสเองที่รู้ว่าพระทุดดงไม่เดือดร้อนจากการกระทำของตัวก็ได้จะคิดว่าพระทุดดงคงจะทนหิวได้ไม่นานหากขาดอาหารขบฉันอีกไม่กี่วันก็คงทนดื้ออยู่ต่อไปไม่ไหววันเวลาผ่านไปโดยที่ไม่มีคนใส่บาดพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นเวลาห้าวันเช้าวันที่หก ท่านก็ประคองบาทออกโคจรบินธบาดตามปกติขณะเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งก็มีเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังผ่าวปืนอยู่ที่หน้าบ้านพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ถามเด็กหญิงคนนั้นว่าชาวบ้านแถวนี้นะ่ะเขาไม่ทําบุญใส่บาทกันบ้างเลยเหรือหนูเด็กหญิงคนนั้นทราบเหมือนกันว่าพ่อแม่และคนอื่นๆถูกห้ามไม่ให้ใส่บาทพระธุดกแต่ว่าเธอมีจิตเป็นกุศลก็นิมนต์ท่านให้รออยู่ก่อน แล้วก็รีบเข้าไปในบ้านไปคดข้าวเหนียวมาหนึ่งปั้นแล้วก็หยิบปลาเข็มตัวเล็กๆมาตัวหนึ่งนำมาใส่บาดพระอาจารย์ประยุทธ์ด้วยความนอบน้อมศรัทธาหลังจากที่ถูกกลั่นแกล้งให้อดฉันอาหารเป็นเวลาถึงหกวันพระอาจารย์ประยุทธ์เพิ่งจะได้ฉันเป็นมือแรกด้วยใจอันเป็นกุศลของเด็กผู้หญิงคนนั้นและนับแต่วันนั้นเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์ออกบินธบาต ท, ทุกเช้าตามเส้นทางเดิม ก็จะมีเด็กหญิงคนเดิมนำอาหารมาใส่บาตรให้ท่านเพียงคนเดียวเด็กหญิงคนนั้นนับว่ามีใจกุศลอย่างยิ่งไม่เพียงแต่เธอจะใส่บาตรพระทุดงทุกเช้าเธอยังไปบอกเพื่อนผู้หญิงรุ่นราวคราวเดียวกันให้นำอาหารมาใส่บาตรพระทุดงด้วยดังนั้นเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์ออกบิณธบาทจึงมีเด็กผู้หญิงกลุ่มเนี้มาคอยใส่บาตรทุกวันบางวันก็นาอาหารมาถวายถึงที่ท่านปากักหลอด แม่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กผู้หญิงเหล่านี้รู้ว่าลูกหลานเอาอาหารไปใส่บาตรก็ไม่ได้ว่ากล่าวห้ามปรามแต่อย่างใดก็เพราะทุกครัวเรือนในต่างก็อยากทําบุญสร้างกุศลด้วยกันทั้งสิน้นหากมาติดขัดที่เสียใหญ่มีคําสั่งห้ามจึงจําใจต้องทำตามคําสั่งเพื่อจะรักษาผลประโยชน์รายได้ของตัวแต่เมื่อลูกหลานมีใจกุศลอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นความประสงค์ของตัวเหมือนกันนอกจากเด็กหญิงกลุ่มดังกล่าวจะทําบุญใส่บาตรทุกเช้า พวกเธอยังพากันมานมัส ก, การพระอาจารย์ประยุทธ์ถึงที่ปักกลดท่านก็ถือโอกาสอบรมสั่งสอนในพวกเด็กๆประพฤติปฏิบัติในสิ่งซึ่งเป็นความดีมีศีลธรรมและยึดมั่นในกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณจึงเป็นอันว่าเจตนาของเสียใหญ่ต้องการจะกลั่นแกล้งพระอาจารย์ประยุทธ์ให้อดอาหารจนทนไม่ไหวไม่สำฤผล เพราะเด็กลูกหลานชาวบ้านเป็นผู้ทำให้แผนการชั่วร้ายนี่ล้มเหลวจนหมดสิน้นเมื่อเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้มารับฟังพระอาจารย์ประยุทธ์อบรมสั่งสอนบ่อยๆท่านก็ถามว่าพวกเธออยากจะให้หลวงพ่ออยู่ที่นี่นานๆไหมือมอยากให้อยู่นานๆนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าอยากให้หลวงพ่ออยู่นานๆก็ขอให้ช่วยกันตัดไม้มาปลูกเป็นกุฏิพอที่หลวงพ่อจะอยู่อาศัยได้ไหม เพราะว่ากรดนี้ไม่อาจจะป้องกันลมผลได้เนื่องจากใกล้หน้าผลเข้ามาทุกทีเด็กๆ ก, ก็ยินดีจะช่วยกันทาตามความประสงค์ของท่านแล้วก็นัดหมายเอามีดเอาจอบเสียมมาทำกุฏิให้ท่านเมื่อถึงวันนัดหมายพวกเด็กๆสิบคนก็พากันมาครบทุกคนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันโดยกลุ่มหนึ่งแยกไปตัดไม้ในป่าใ ก, กล้ๆอีกลุ่มนึงก็ช่วยกันขุดหลุมฝังเสาอี ก, กลุ่มหนึ่งไปเกี่ยวหญ้าคามาใช้มุงหลังคากุฏิ เด็กผู้หญิงกลุ่มนี้แม่จะมีอายุน้อยแต่ก็เคยช่วยผู้ใหญ่ทำงานทุกอย่างการปลูกกระตอบเล็กๆจึงไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรแล้วก็ช่วยกันทำจนแล้วเสร็จในวันเดียวภายหลังที่พวกผู้ใหญ่รู้ว่าลูกหลานน้องตัวมาช่วยกันสร้างกุฏิให้พระทุดงก็มีผู้ศรัทธามาสร้างศาลาโรงฉันเล็กๆให้แล้วก็ยังสร้างศาลาทรงไทยอีกหลังหนึ่งบนสันเขาเมื่อชาวบ้านแสดงศรัทธาต่อพระทุดงโดยเปิดเผยอย่างนี้ แสดงพวกเขาเลิกกลัวเกรงคำสั่งของอาเสียเจ้าของโรงเลื่อยอย่างชัดเจนเสียใหญ่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันจำเป็นต้องปล่อยเลยตามเลยหลังจากเสียอิทธิพลถอดใจวางมือไม่ขัดขวางกลั่นแกล้งพระอาจารย์ประยุทธ์อีกต่อไปชาวบ้านก็พากันมาฟังเทศฟังธรรมจากท่านเป็นประจำที่ถ้ำผาพุงแห่งนี้ค่อนข้างอัตคัดน้าดื่มน้าใช้หากพระอาจารย์ประยุทธ์อยู่เพียงรูปเดียวก็ไม่มีปัญหา แต่เมื่อมีชาวบ้านญาติโยมขึ้นมาฟังธรรมจานวนมากก็เกิดความไม่สะดวกในเรื่องน้าพระอาจารย์ประยุทธ์จําได้ว่าที่ตลาดวังสะพุงมีร้านขายโอค์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งหากได้โอค์มารองน้ําฝนเก็บไว้ก็คงจะช่วยผ่อนคลายปัญหาไปได้ดังนั้นเมื่อมีโอกาสท่านก็ลงจากเขาไปที่ตลาดวังสะพุงตรงไปยังร้านขายองค์เพื่อติดต่อขอซื้อโอค์สักสีห้าลูกเจ้าของร้านถามว่าจะซื้อโอค์ไปที่ไหน พระอาจารย์บอกว่าจะเอาขึ้นไปไว้ที่ถ้ำผาภุงบนเขาเจ้าของได้ยินก็หัวเราะ ก, ก็ยืนยันว่าเอาองค์ขึ้นไปไม่ได้หรอกพระอาจารย์ประยุทธ์จึงพูดบอกว่าถ้าเอาองค์ขึ้นไปได้เนี่ยจะถาวายองค์ให้อัตมาหรือเปล่าล่ะเจ้าของร้านไม่รู้ว่าคิดยังไงบอกอ้าวถ้าเอาองค์ขึ้นไปบนเขาได้จริงๆผมก็ถาวายเลยจริงๆพระอาจารย์ประยุทธ์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านสามารถเอาองค์ขึ้นไว้บนเขาที่ถ้ำผาภูงได้ อย่างคําพูดจากนั้นท่านก็ไปหาเชือกหารอกมาด้วยวิธีใช้เครื่องผ่อนแรงที่ว่าพระอาจารย์ประยุทธ์สามารถนำโองค์ขึ้นไปไว้บนถ้ำผาพุ่งได้บททุกใบแล้วเจ้าของร้านก็ถวายองค์ให้จริงๆเหมือนกันเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องของอาจารย์ประยุทธ์เดี๋ยวฟังต่อพรุ่งนี้นะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่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 วันนี้จะคุยต่อถึงเรื่องของพระอาจารย์ประยุทธ์ธรรมยุตโตอดีตขุนโจรอิสมาแอผู้กลับใจว่าหลังจากที่ท่านบวชแล้วท่านก็มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโ ม, มาอยู่ที่ถ้ำผาพุงตอนนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์ขึ้นไปสำรวจบนเขาด้านหลังศาลาก็พบว่ามีถ้ำอีกแห่งหนึ่งมีขนาดใหญ่โตวขว้างขวางกว่าถ้ำผาพุง หลังจากที่ปัดกวาดทําความสะอาดแล้วปรากฏว่าเป็นสถานที่อันสงบงดงามท่านก็ใช้เป็นที่ปฏิบัติกิจแล้วก็ต้อนรับญาติโยมแทนศาลาด้านล่างเวลาผ่านไปก็มีพระเนนขึ้นเขามาขอปฏิบัติอยู่กับท่านหลายรูปพระอาจารย์ประยุทธ์ก็คิดว่าสมควรจะมีพระพุทธรูปสําหรับกราบไหว้บูชาไว้ในถ้ำเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังนั้นท่านก็ลงจากเขาแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพ มาพบกับน้องสาวถึ่มีฐานะดีมาปารพกับน้องสาวว่าท่านคิดจะสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งไว้ที่ท้ำบนเขามาบอกบุญแก่น้องสาวให้ร่วมสร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โยมแม่ผู้ล่วงลับไปแล้วน้องสาวก็ยินดีโมทนาด้วยจากนั้นก็ได้เริ่มจัดสร้างพระพุทธรูปขึ้นพระพุทธรูปองค์นี้มีพุทธลักษณะสวยงามยิ่งนักระหว่างการก่อสร้างบุคคลซึ่งถือว่าตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ กับพระอาจารย์ประยุทธ์โดยตรงก็คือเสียใหญ่เจ้าของโรงเลื่อยปรากฏว่าเสียจัดการส่งปูนส่งทรายและเหล็กเส้นมาถวายพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นจํานวนมากโดยที่ท่านไม่เคยออกปากบอกแม้แต่คําเดียวพระอาจารย์ประยุทธ์ปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำผาพุงเป็นเวลาสองปีมีพระภิกษุสามเณรมาจำมรนษาอยู่ด้วยหลายรูปในหมู่ภิกษุทั้งหมดนั้นก็มีพระอาจารย์ประเวท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความมั่นคงแล้วก็มีจริตนิสัยอยู่ติดสำนักยิ่งกว่าพระรูปอื่นๆพระอาจารย์ประยุทธ์ก็เลยมอบหมายให้พระอาจารย์ประเวศ ท, ทำหน้าที่ดูแลสำนักสงฆ์แทนท่านเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีท่านก็อำลาญาติโยมออกจากริกทุดงสู่ป่าเขาลำเนาไพรต่อไปพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นพระสายปฏิบัติที่กล่าวได้ว่าเป็นพระป่าอย่างแท้จริงท่านไม่เคยติดเสนาสะนะ ไม่ติดสถานที่และไม่เคยอยู่ที่ไหนนานๆสถานที่เรื่อนรมสำหรับท่านคือป่าเขาลำนาวไพรซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านชุมชนความสงบสงัดท่ามกลางธรรมชาติเป็นที่ปรารถนายิ่งของท่านดังนั้นตลอดชีวิตใต้ร่มกาสวพัสดของพระอาจารย์ประยุทธ์จึงถือมั่นในทุดงขวัตมาตลอด การเดินทุดงผ่านป่าเขาดงลึกของท่านทําให้ท่านได้พบประสบการณ์แปลกๆหลายครั้งหลายหุนเช่นครั้งหนึ่งพระอาจารยาริกธุดงผ่านป่าลึกซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ำเป็นอย่างยิ่งธุดงครั้งนั้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งสามเณรรูปหนึ่งติดตามท่านไปด้วยขณะเดินผ่านภูเขาลูกหนึ่งได้พบแอ่งน้ำพอช่วยบรรเทาความทุกข์ไปได้ แต่ว่าแอ่งน้ําแห่งนี้เป็นโพรงลึกแล้วก็ชอนเว้าเข้าไปใต้เงื่อมหินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าผาสูงชันปากโพรงมีช่องว่างกว้างยาวป ร, าประมาณคืบหนึ่งเท่านั้นอะ่ะพอที่จะสอดมือเข้าไปได้แต่คณะทุดงไม่มีภาชนะเล็กพอจะสอดเข้าไปตักเอาน้ําออกมากระป๋องสังกสีลูกเล็กๆซึ่งเนนถือติดมือมาเป็นบริขารอย่างหนึ่งก็ใหญ่เกินกว่าจะสอดลงไปตักน้ําได้ ดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จึงให้เนนไปหากระบอกไม้มารองเอาน้ำเมื่อเนนได้กระบอกไม้มาแล้วก็นำมารองเอาน้ำเทใส่กระป๋องอีกทีหนึ่งซึ่งก็ได้น้ำทีละเล็กทีละน้อยพระอาจารย์ประยุทธ์จึงให้พระเนนสงน้ำก่อนส่วนท่านจะสงเป็นคนสุดท้ายขณะที่กาลังรองน้ำเนะน้นน้ายังไม่ทันเต็มกระป๋องก็เกิดเสียงดังสนั่นโครมครามในป่า เห็เสียงของสัตว์ใหญ่หลายตัวย่ําเดินตรงเข้ามายัางแหล่งน้ําแห่งนี้ท่านก็รู้ดีว่าเป็นโขลงช้างป่าซึ่งคงจะมากินน้ําในแอ่งนี้ท่านก็บอกให้พระเนนหลบเข้าไปในซอกหินคล้ายๆกับจะเป็นรอยแยกเจาะลึกเข้าไปในหน้าผามีขนาดความกว้างพอๆกับตัวคนโดยให้พระเนนเบียดแทรกตัวเข้าไปก่อนส่วนตัวท่านตามเข้าไปทีหลัง พระทุดงและเนร น, น้อยหลบอยู่ในซอกหินได้ไม่นานโขลงช้างป่าวัทยอยกันออกมาจากแนวปา่ามีทั้งช้างพลายช้างพังแล้วก็ลูกช้างบางตัวก็แยง่งวงเข้ามาในปากโพรงแล้วก็ดูดน้ำมาพ่นใส่ตัวเป็นผ่อยมีลูกช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งคลอๆอยู่ใกล้แม่เห็นกระป๋องที่เนนรองน้ำไว้ก็ไปเล่นโดยความสนใช้เท้าเหยียบคลึงกระป๋องไปมาจนกระทั่งบุบบบบู้บีบ้บบบบ พระอาจารย์เห็นเจ้าช้างน้อยซุกสนจนกระป๋องเสียหา ย, หายก็พูดด้วยเสียงอันดังออกไปว่าเออช้างทั้งหลายจะมาทำลายกระป๋องน้ำของพระจนใช้การไม่ได้อย่างนี้แล้วพระจะไปหากระป๋องที่ไหนในป่ามาใช้ตักน้ำอาบน้ำกินแล้วจะไม่กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมเหรอเสียงช้างที่กำลังคึกขนองพลันก็เงียบลงทันทีได้ยินเสียงแม่ช้าง อ, งองวงตีลูกดังป้าป่ปาสองสามครั้ง แต่โลงช้างก็ยังไม่ยอมพละจากไปพระจย์ประยุทธ์ก็พูดขึ้นอีกช้างเอ้ยพากันไปเถอะเถอะพระยังไม่ได้กินน้ำสงน้ำเลยเพราะกลัวความใหญ่โตของเจ้าอย่าทำให้พระต้องลำบากใจเลยนะคราวนี้ได้ยินเสียงแม่ช้างใช้งวงตีลูกอีกสองทีจากนั้นก็ได้ยินเสียงขบวนช้างเคลื่อนออกไปจากแอ่งน้ำอย่างสงบแล้วก็เงียบหายไปในที่สุด พระอาจารย์กับพระเนนก็ออกมาจากซอกโขดหินแล้วก็ต้องหาก้อนหินมาทุบมาเคาะกระป๋องน้ำที่บู้บี้เพราะความสนของลูกช่างกระทั่งใช้การได้จากนั้นพระเนนและพระอาจารย์ก็ได้ส่งน้ำตามประสงค์เมื่อหมดภาระเรื่องน้ำกินน้ำอาบพระอาจารย์และพระเนนก็แยกย้ายไปปักหลดในสถานที่ที่ตัวพอใจโดยให้อยู่ห่างๆกันพอสมควรครันมืดถําลง หลังจากทำวัดสวมดมนต์เรียบร้อยแล้วพระอาจารย์และสิทธิ์ของท่านก็เข้าที่ปฏิบัติภาวนากระทําความเพียรในกรดของท่านแต่ละรูปเช้ามืดวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์เปิดม้งกรดออกมาท่านก็เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเห็นนั่นก็คือไม่ห่างจากกรดของท่านมีกองหน่อไม้กองใหญ่กองอยู่เป็นพเนินมองดูที่พื้นดินมีรอยเท้าช้างเหยียบเอาไว้สับสนอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นอันหมดความสงสัยว่าใครเป็นเจ้าของหน่อไม้กองนี้และถ้าหากว่าไม่ได้ประจักษ์แกสายตาก็ยากจะเชื่อได้ว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นช้างป่าจะมีสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษรู้ว่าทาผิดไปแล้วยังพยายามกระทำความดีชดเชยโดยไปหักหน่อไม้มาถวายทำบุญมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์ประยุทธ์ทุดงมุ่งหน้าสู่ป่าขาทางภาคเหนือ การเดินธุดงครั้งนั้นมีพระเนียนติดตามไปด้วยสองรูปพระอาจารย์ประยุทธ์พาลุกศิทธ์ท่องไปตามสันดอยซึ่งพื้นที่แถบนั้นเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่ามูเสอพระอาจารย์ประยุทธ์ก็พาพระเนียนขึ้นไปปัดกรดอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านมูเสอเท่าไหร่นักซึ่งตามปกติเมื่อชาวเขาเห็นพระธุดงจาริกมาปัดกรดใกล้ๆหมู่บ้านของตัวพวกเขาก็จะนําอาหารเล็กๆน้อยๆมาใส่บาตรให้เสมอ แม้ว่าพวกชาวเขาโดยทั่วไปจะไม่นับถือาศาสนาพุทธแต่มีความเชื่อถือนับถือผีตามจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ชาวเขาก็ยังรู้จักทำบุญใส่บาตรแก่พระทุดงโดยเห็นว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึง่งหากแต่ว่าครั้งนี้ที่พระอาจารย์ประยุทธ์และพระเนนมาปักหลดอยู่ไม่ไกลาจากหมู่บ้านชาวมูเซอกลับไม่มีชาวมูเซอคนไหนเลยนำอาหารมาถวายใส่บาตรพระแม้แต่คนเดียว เวลาผ่านไปถึงหกวันพระเนนไม่ได้ฉันอาหารสักคำเดียวสำหรับพระอาจารย์ประยุทธ์นั้นการอดอาหารนานๆ น, น, นี้ไม่มีปัญหาสำหรับท่านสงสารแต่พระเนนซึ่งมากับท่านเท่านั้นที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาหลายวันดังนั้นเมื่อเช้าวันที่เจพระอาจารย์ประยุทธ์จึงนำพระเนนไปบิณฑบาต ท, ที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอร์โดยที่ท่านไม่รู้ว่าสาเหตุที่พวกมูเซอร์ไม่มาใส่บาตรพระเนน ก็เพราะได้รับคาสั่งจากหัวหน้าเผ่าไม่ให้แบ่งปันอาหารใส่บาทแก่พระโดยเด็ดขาดการที่หัวหน้าหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเสอแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อพระธุดงก็เนื่องจากช่วงเวลานั้นทางการไทยมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังแล้วก็มีคาสั่งห้ามไม่ให้ชาวเขาปลูกฝิ่นโดยเด็ดขาดหากรู้ว่าพื้นที่ไหนมีการลักลอบปลูกฝิ่น ทางการจะส่งทหารและตำรวจบุกขึ้นมาทำลายไร่ฟินไม่ให้เหลือดังนั้นชาวขาวแทบทุกเผ่าบนดอยสูงซึ่งมีอาชีพปลูกฟินจึงหวาดกลัวการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างยิ่งหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเสือแห่งนี้ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ลักลอบปลูกฟินพอเห็นพระธุดงมาปักโกรพักอาศัยอยู่ในรัศมีไม่ห่างจากหมู่บ้าน ก็วันระแวงว่าพระธุดง์อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปลอมตัวมาสื่อผาร่องรอยไร่ฝินดังนั้นหัวหน้าหมู่บ้านไม่ต้องการให้พระธุดงมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแถวนี้ก็มีคำสั่งห้ามไม่ให้นำอาหารไปใส่บัตรเพื่อบีบบังคับให้พระต้องจากไปอยู่ที่อื่นแต่หัวหน้าชาวเขาผ่ามูเสือรู้สึกผิดคาบที่พระธุดงสองรูปแลมเนนอีกรูปยังทนหิวอดทนอยู่ได้ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรกิน เจ้าหัวหน้าชาวเขาเผ่ามูเซอร์ก็ได้แต่คิดว่าพระธุดงจะอดทนได้นานสักแค่ไหนในเมื่อไม่มีข้าวปลาอาหารอย่างนี้กระทั่งถึงเช้าของวันที่เจพระอาจารย์ประยุทธ์และพระเนนลูกศิษย์ประคองบาดเข้ามาในเขตบู่บ้านด้วยอาการสงบสํารวมมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นําเอาข้าวต้มเละๆมาใส่บาดพระเนนรูปละหอสําหรับเจ้าหัวหน้าเป็นคนใส่บาดให้พระอาจารย์ประยุทธ์ด้วยตัวเอง เมื่อรับบาทแล้วพระธุดงก็กลับไปยังกรดเพื่อจะฉันอาหารมื้อแรกในรอบเจ็ดวันข้าวต้มเละๆซึ่งชาวเขาผ่าหมูเสือหอใส่บาทให้มานั้นมีลักษณะหน้าิสะเอียนยิ่งกว่าเศษอาหารที่ให้สุนักกินซะอีกแต่เมื่อเป็นอาหารเขายินดีถวายให้เพื่อเลี้ยงชีวิตแม้จะไม่พึงพอใจยังไงก็จาต้องฉันตามพระธรร ม, มาวนยัยพระเนรก็ก้มหน้าก้มตากลั่กลืนข้าวต้มเล ะ, เละ เพียงเพื่อประทังชีวิตให้ยืนยาวต่อไปอีกเท่านั้นส่วนข้าวต้มที่หัวหน้าชาวเขาใส่บาดให้พระอาจารย์ประยุทธ์ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อท่านเปิดฝาบาดครั้งแรกก็ถึงกับสะอึกเพราะมีกลิ่นเน่าคลุ้งขึ้นมาด้วยนอกจากนั้นท่านยังสังเกตเห็นมีกับข้าวสุกอยู่ใต้กองข้าวต้มเละๆพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ใช้นิ้วเขีย่ยเพราะดูเห็นชัดเจนว่าเป็นอะไร ท่านก็ชะ ง, งักนิ่งอึ้งอยู่เป็นครู่ก่อนที่จะปิดผวาบาดกลับคืนแล้วประคองบาทลุกขึ้นเดินไปยังด้านหนึ่งที่ห่างจากพระเนนลูกศิษย์เพื่อพยายามใช้สติระงับอารมณ์ที่พุ่งพล่านขึ้นมาอย่างสุดความสามารถเพราะว่ากับข้าวที่หัวหน้าชาวเขาหมูเซอร์ใส่รวมมาพร้อมๆกับข้าวต้มก็คือหนูตัวเครื่องซึ่งคงจะเอาลงไปต้มในข้าวต้มหัวหน้าชาวเขากลั่นแกล้งพระพิสูจอย่างเจ็บแสบที่สุด พระอาจารย์ประยุทธ์มีจริตนิสัยที่แก้ได้ยากคือโทสะจริตแรงกล้าเพราะด้วยโทสะจริตตัวนี้เองที่ทําให้ท่านขาสติฆ่าคนตายมาแล้วขณะที่เป็นคารวะและในขณะนี้เมื่อถูกชาวเข า, ขาบนดอยสูงกลั่นแกล้งอย่างหยาบช้าที่สุดอํานาจแห่งโทสะก็พลันพล่านขึ้นมาแทบจะระงับเอาไว้ไม่ได้หากไม่ได้ผ่านการฝึกจิตเจริญสมาธิมาอย่างเขี่ยวกรำ้ำ จนสามารถขัดเกลากิเลสกระทั่งเจือจางลงได้สติก็คงไม่ผุดขึ้มายับยั้งอารมณ์ต่ำอย่างแน่นอนสัมปชัญญะความรู้ตัวบอกให้ตระหนักว่าตนเป็นใครอยู่ในเพศสมณะใช่หรือไม่และที่บวชเข้ามาสู่เพศพรหมจันท ร, ร์นี้เพราะเหตุใดไม่ได้บวชเข้ามาเพื่อมุ่งหวังพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางหรือสติตัวรู้ชี้แจงแสดงเหตุผลเป็นลาดับขั้นตอนจนกระจ่างทุกแงม่มุม ไฟโศสะก็ค่อยๆดับสลายหมดสิ้นไปกระทั่งไม่มีเหลือเมื่อจิตคืนสู่ความเป็นปกติความสงบแจ่มใสก็บังเกิดทำให้จิตเกิดความระลึกรู้ว่าวิบากกรรมได้ตามมาสนองท่านแล้วการที่หัวหน้าชาวเขาเผ่ามูเซอร์มีความเป็นปรปักษ์ต่อท่านถึงขนาดนี้ย่อมเกี่ยวเนื่องกับบุพกรรมซึ่งเคยกระทำต่อกันและบัดนี้ถึงวาระต้องชดชชยแล้ว เมื่อพิจารณาได้อย่างนี้จิตก็บังเกิดความแจ่มใสเบิกบานหมดสิ้นความยึดติดถือมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงผธพะสิ่งที่มากระทบต้องกายและอารมณ์ที่เกิดกับใจพระอาจารย์ประยุทธ์เปิดขวาครอบบาดออกอีกครั้งแล้วลงมือฉันอาหารนั้นโดยไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นรับรู้เพียงอย่างเดียวคือสิ่งซึ่งบริโภคเข้าไปนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำรงกายสังขารให้อยู่ต่อไปเท่าที่ควรจะเป็น พระอาจารย์กับพระหนุ่มเนนน้อยถอนกรดจากณที่นั้นแล้วก็พากันจาริกต่อไปอีกโดยมุ่งหน้าเข้าไปยังป่าลึกยิ่งกว่าเดิมและไม่รู้ว่าจะต้องไปกันอีกไกลเท่าไรถึงจะพบหมู่บ้านข้างหน้าเส้นทางที่พระอาจารย์ประยุทธ์นำพระเนนจาริกต่อไปนั้นเป็นป่าใหญ่ต้นไม้แต่ละต้นระ ง, งานเงือมแน่นขนาดไปทั้งป่าแสดงว่าป่านี้ยังไม่มีใครบุกรุกเข้ามาตัด มาโค่นไม้เพื่อชักลากไปขายเส้นป่าอื่นๆเวลาผ่านไปถึงหกวันที่พระเนนไม่มีอาหารฉันสำหรับพระอาจารย์ประยุทธ์นั้นท่านเคยชินแล้วอดอยากครั้งละหลายวันยังกระทั่งเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับพระหนุ่มเนรน้อยทั้งสองแม้จะไม่แสดงอาการท้อแท้ท้อถอยออกมาให้เห็นพระอาจารย์ก็รู้ว่าสิทธิของท่านแทบจะทนฝืนยืนหยัดต่อไปไม่ได้ในระหว่างหลายวันที่ผ่านมาซึ่งไม่มีอาหารฉัน ท่านต้องให้เนนไปเก็บใบไม้ใบหญ้าที่ฉันได้เอามาต้มเพื่อกล่อมกลืนลงไปประทางความหิวทำให้ท่านรู้สึกเวทนาพระเนนทั้งสองรูปเป็นอย่างยิ่งเช้าวันที่เจขณะที่พระอาจารย์ประยุทธ์ให้เนนไปหาใบไม้ใบหญ้ามาต้มมาฉันท่านเห็นสภาพของพระเนนแล้วก็เกิดสงสารก็ปลารพขึ้นมาว่ายังอีกไกลนักกว่าจะถึงหมู่บ้านเราจะไปกันไหวไมเนาะ ทำยังไงถึงจะได้อาหารมาประทังชีวิตสิ้นครรําปลารพท่านก็เห็นหญิงสาวผู้หนึ่งหาบกระบุงตรงมาอยังที่พระธุดงปักหลดอยู่ผู้หญิงคนนี้นุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าประณีดผิดกว่าชาวบ้านป่ากลางดงอีกทั้งมีรูปร่างหน้าตาหมดจดงดงามผิวพรรณผ่องใสเมื่อหญิงงามนางนั้นมาถึงหน้าโกรก็วางหาบลงแล้วนาอาหารมาใส่บาตรของพระเนนทั้งสามบาตร จากนั้นก็ก้มกราบนมัส ก, การนอบน้อมก่อนจะลุกไปยกหาบขึ้นบ่าแล้วเดินย้อนกลับไปในทิศทางเดิมตลอดเวลาที่หญิงงามคนนั้นเดินมาใส่บาตรกระทั้งกลับไปเธอไม่เอ่ยปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คําเดียวพระอาจารย์ประยุทธ์ท่านก็รู้ว่าหญิงสาวคนที่ว่านี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพธิดานางไม้ซึ่งสถิตยอยู่ในป่านี้มาช่วยสงเคราะห์พระทุดงผู้ทรงศรีลบริสุทธิ์ให้รอดชีวิตดํารงสังขารอยู่ต่อไป การที่นางไม่เอ่ยปากพูดจาอะไรออกมาก็เพราะไม่ต้องการให้รู้ว่านางเป็นใครดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ไม่ได้กล่าวคำสักถามอะไรทั้งสิน้นคงสำรวมนิ่งเฉยกระทั่งนางใส่บาทแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปวันนั้นเป็นครั้งแรกในเวลาหลายวันที่พระทุดงและเนนเพิ่งจะได้ฉันอาหาร จากหญิงสาวลึกหลับคนนั้นอาหารที่ฉันเข้าไปก็รู้สึกสัมผัสได้เลยว่าเป็นอาหารซึ่งมีรสชาติอริดอร่อยอย่างบอกไม่ถูกและแม้จํานวนอาหารจะมีเพียงน้อยนิดไม่น่าจะฉันอิ่มได้แต่เมื่อฉันหมดแล้วก็กลับรู้สึกอิ่มพอดีพอดีความหิวโหวยหมดสิ้นไปทันทีและที่น่าประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณค่าของอาหารดูเหมือนว่าจะมีคุณสมบัติเป็นที่น่าอัศจรรย์เพราะทันทีที่ฉันอิ่มได้ไม่นาน ความรู้สึกอ่อนเพลียและหวยโวยแรงเหมือนกับสูญหายไปหมดสิน้นพลังของร่างกายฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงกับปรีก้กระเป๋าเหมือนเดิมดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จึงได้หยุดยั้อยงอยู่ที่เดิมต่อไประยะหนึ่งเพื่อบำเพ็ญความเพียรอย่างต่อเนื่องเช้าวันที่สองเมื่อถึงเวลาหญิงสาวคนเดิมก็หากระบุงใส่อาหารมาอีกแล้วก็นาอาหารใส่บาตให้แก่พระทูดงและเนนโดยไม่พูดจาเช่นเคยใส่เสร็จแล้วก็จากไปเงียบ ถึงเช้าวันที่สามหญิงสาวก็นำอาหารมาถวายใส่บาตรเช่นวันก่อนๆหลังใส่บาตรแล้วพระนุ่มซึ่งมีความสงสัยตัง้งแต่วันแรกระงับความอยากรู้เอาไว้ไม่ไหวก็เอ่ยปากบอกว่าโยมโยมมาจากไหนอ่ะในบริเวณนี้อาตมาไม่เห็นมีหมู่บ้านเลยผู้หญิงคนนั้นก็ตอบสั้นๆบอกอยู่แถวนี้แล้วเจ้าค่ะเพราะหญิงงามผู้ใจบุญหาบกระบุงไปแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ได้บอกกับพระนุ่มว่า พรุ่งนี้อดเถอะวันรุ่งขึ้นพระเนรอดจริงๆเพราะหญิงสาวคนที่ว่าไม่มาปรากฏให้เห็นอีกเลยพระหนุ่มก็คิดไม่ถึงว่าไอ้ความอยากรู้เพียงเล็กน้อยของตัวจะให้ผลร้ายถึงเพียงนี้แล้วขณะเดียวกันก็ทําให้ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าความสำรวมระวังของพระภิกษุผู้กําลังปฏิบัติธรรมระหว่างจาริกตูดงนั้นต้องเคร่งครัดเพียงไหนกิจอันใดที่ไม่ใช่กิจของตัวจะเข้าไปวุ่นวายยุ่งเกี่ยวไม่ได้โดยเด็ดขาด การละเมิดภาวะของผู้อื่นซึ่งผู้อื่นไม่เอ่ยปากอนุญาตไม่เต็มใจยินดีให้รู้แม้เพียงน้อยนิดก็คือการทำให้ผู้อื่นคุณมัวหม่นหมองได้ซึ่งก็ท่ากับพระภิกษุประพฤติเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่เจตนานั่นเองหลังจากเทพธิดาหรือว่านางมายุติการสงเคราะห์ให้เพียงเท่านั้นพระอาจารย์ประยุทธ์ก็ า, าสิทธของท่านจาริกต่อไปกระทั่งหลุดพ้นออกจากป่าลึกแห่งนั้นได้ในเวลาต่อมา อัตชีวประวัติของพระอาจารย์ประยุทธ์ที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นการหยิบยกเอาแต่เหตุการณ์ตอนสำคัญมาเล่าส่วนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ น, น, น ะ, ะไม่มีการบันทึกเอาไว้มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านบุฟังอาจจะสงสัยว่าจะไม่มีปรากฏขึ้นกับพระอาจารย์ประยุทธ์เลยเหรอนั่นก็คือเรื่องผู้หญิงศิกาซึ่งเข้ามาวุ่นวายกับท่านในชีวิต เพราะาดูเหมือนว่าพระอาจารย์ดังๆทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่มีรูปงามเป็นที่น่าเจริญตาเจริญใจเพศรองคา ม, มักจ ะ, ะเผชิญกับกิเลสกองใหญ่คือเรื่องสีกาเนี่ยแทบจะทุกรูปทุกองค์และกว่าจะเอาตัวรอดมาได้ก็เล่นเอาเหน็ดเหนื่อยระอาใจเป็นที่สุดแต่สําหรับพระอาจารย์ประยุทธ์ดูเหมือนว่าท่านจะไม่มีกรรมในเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วแต่การ น, นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีไม่มีเรื่องผู้หญิงเข้ามายุ่งเกี่ยวผูกพันเอาซะเลย เช่นเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มขนองเกิดเรื่องมีคดีความจําเป็นต้องหลบหนีมีญาติคนนึงก็พาท่านไปฝากให้อยู่กับเท่าแก่เปาะที่มหาชัยในฐานะลูกจ้างแล้วก็ต้องออกไปกับเรือหาปลาเท่าแก่คนนี้มีลูกสาวสวยคนหนึ่งยังเป็นโสดลูกสาวเท่าแก่ให้ความสนใจพระอาจารย์ประยุทธ์เป็นพิเศษคอยเอาใจใส่อย่างออกหน้าออกตาแล้วก็หยิบยื่นเงินให้ใช้เป็นจํานวนมากเสมอแต่พระาจารย์ประยุทธ์ ไม่ได้สืบสารสัมพันธ์ให้ล่วงเลยไปในทางชู้สาวแม้แต่น้อยทำงานอยู่หกเจดเดือนท่านก็ซื้อเรือประมงเองออกทะเลหาปลาได้ก็นำปลาไปขายให้กับลูกสาวเท่าแก่ซึ่งเขาก็จะให้ราคาดีพอสมควรตัวเท่าแก่เองก็แสดงทีท่าอยากจะได้ท่านมาเป็นลูกเขยเช่นเดียวกันแต่พระอาจารย์ประยุทธ์กลับไม่มีจิตใจโน้มเอียงอยากจะมีภรรยาอยากมีครอบครัวเหมือนกับหนุ่มอื่น เมื่อลูกสาวเท่าแก่แสดงท่าทีปฏิพัทธ์ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆท่านก็เกิดความรู้สึกอึดอัดจะพละจากไปดื้อๆก็กลัวว่าจะเป็นการหักหารน้ำใจกันเกินไปท่านก็เขียนจดหมายไปหาพี่สาวบอกให้มาช่วยรับกลับไปอยู่หัวหินด้วยพี่สาวก็ช่วยทำตามอุบายนั้นกลับมาอยู่หัวหินแล้วโดยนำเรือประมงมาด้วยเวลาออกไปจับปลาก็ได้ปลามามาก การขายปลาก็เกิดมีปัญหาเพราะว่าผู้รับซื้อปลาที่หัวหินจะซื้อเฉพาะแต่ปลาชนิดที่เขาต้องการเท่านั้นปลาซึ่งไม่เป็นที่ต้องการก็จำเป็นต้องขายไปในราคาถูกๆเมื่อเป็นอย่างนี้พระอาจารย์ประยุทธ์ก็จำใจต้องติดต่อขายปลาให้แก่ลูกสาวเท่าแก่คนเดิมซึ่งเขาก็รับซื้อแบบเหมาลำเช่นเดิมแต่ได้พูดเนบแนมทานองเสียแรงช่วยเหลือมาโดยตลอดกลับไม่คิดถึงบุญคุณเขา ไม่เคยมีน้ำใจให้เขาสักนิดพระอาจารย์ประยุทธ์เจอเข้ากับสถานการณ์อย่างนี้ก็พูดไม่ออกท่านก็เลยตัดสินใจไม่เอาปลาไปขายอีกแล้วในที่สุดก็ขายเรือประมงเลิกอาชีพจับปลาอย่างเด็ดขาดเรื่องผู้หญิงที่เข้ามาวุ่นวายกับท่านอีกครั้งเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านบวชแล้วนานพอสมควรคือตอนนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จาริกตูดงไปถึงจังหวัดหนึ่งเมื่อผ่านไปที่บ้านขหาบดีท่านหนึ่งขหาบดีท่านนี้ ก็อาราธานานิมนต์ขอให้ท่านพักอยู่นานๆเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสทำบุญให้เต็มอิ่มถึงกับปลูกระท่อมเล็กๆให้เป็นกุฏิชั่วคราวที่ท้ายสวนอันเมนที่สงบเงียกพระอาจารย์ประยุทธ์เห็นท่านขหาบดีมีศรัทธาแรงกล้าเพียงนี้ท่านก็อนุโลมหยุดพักที่กุฏิท้ายสวนชั่ว ร, ระยะเวลาหนึง่งขหาบดีรายนี้มีฐานะร่ารวยทีเดียวมีที่ดินหลายร้อยไรย่แล้วก็มีคนงานถึงสองคนเห็นจะได้ ระหว่างที่พระอาจารย์ประยุทธ์พักปฏิบัติธรรมที่กุติท้ายสวนท่านได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีอาหารบินทบาทถูกปรุงแต่งอย่างประณีตแล้วก็เห็นว่าเป็นของอร่อยถูกนํามาถวายทุกมือ้อส่วนขหาบดีและครอบครัวก็จะมารับศีลฟังธรรมไม่ได้ขาดวันหนึ่งขหาบดีและภรรยาก็มาหาท่านที่กุติเอ่ยปากปรารบกับท่านตรงๆว่าตัวเขาสองคนมีอายุมากแล้วกิจการก็มีมากมาย ตลอดจนต้องดูแลคนงานจำนวนมากแถมยังมีลูกสาวเป็นคนเดียวซึ่งยังไม่ได้แต่งงานหากนานวันไปกิจการและสมบัติประสถานทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมจะอยู่ในความดูแลของลูกสาวคนเดียวดังนั้นจึงอยากให้ลูกสาวมีคู่ครองที่เหมาะสมคือเป็นคนมีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติและความสา ม, มารถที่จะดูแลคุ้มครองลูกสาวตลอดจนทรัพย์สินได้แล้วขหาบาดีก็สรุปลงท้ายเอาดือด้อๆว่า หากท่านศึกเมื่อไหร่เขาก็ยินดีจะยกลูกสาวและกิจการตลอดทรัพย์สินทั้งหมดให้ครอบครองพระอาจารย์ประยุทธ์รับฟังแล้วท่านก็เฉยเฉยเสียกระทั่งสองสามีภรรยากลับไปความคิดที่จะศึกหาลาภเพศสําหรับพระอาจารย์ประยุทธ์นั้นไม่เคยปรากฏสําหรับท่านการที่ขหบดีสามีภรรยามาพูดจาปลารพที่ว่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ท่านปรารถนา และหากจะตัดปัญหานี้อย่างง่ายๆก็เพียงแค่เก็บอัฐบริขารหนีไปเท่านั้นแต่ท่านเห็นว่าการกระทําอย่างนั้นอาจจะไม่ยุติอย่างเบ็ดเสร็จเพราะว่าหลังจากวันนั้นแล้วลูกสาวคนเดียวของขหาบดีก็ได้มาแสดงความเอาใจใส่เรื่องอาหารขบฉันเป็นพิเศษเป็นการบ่งบอกถึงความในในจิตใจของเธอพระอาจารย์ประยุทธ์มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่หญิงสาวมีจิตใจไม่ตรีต่อท่านถ้าหากว่าท่านหนีหายไปเฉย ก็คงจะผิดที่ไม่สำนึกในพระคุณเขาที่ให้สปายะทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมและอาหารครบฉันแต่ว่าไม่เป็นการปัดขาดความรู้สึกนึกคิดตามมิสัยปุทุชนให้สะบั้นลงอย่างเด็ดขาดดังนั้นท่านจึงคิดหาอุบายเพื่อให้ลูกสาวคนงามของข่าบดีตัดใจจากท่านให้ได้วันหนึ่งสาวงามบุตรีของข่าบดีก็นาอาหารมาถวายใส่บาทที่กระต๊อบกรุติเธอก็ถามท่านตรงตรงว่าเมื่อไรท่านถึงจะศึกท่านก็ตอบว่า ถ้าอาตมาจะสึกก็คงไม่ได้สึกเพื่อจะแต่งงานกับโยมเพราะว่ามีคนรักเก่าเขารอคอยอยู่สึกไปก็ต้องแต่งงานกับคนรักเก่าหญิงสาวได้ยินพระอาจารย์ประยุทธ์พูดเช่นนั้นก็ถึงกับนิ่งอึ้งด้วยความเสียใจแต่วิสัยผู้หญิงจะยอมรับความพ่ายแพ้ในทันทีทันใดนั้นยากจะทำได้เธอก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีอะไรดีกว่าดิฉันเหรอดิฉันถึงไม่ดีพอสาหรับท่าน ออยอมมาดีพร้อมหมดทุกอย่างแต่ว่าอาตมามีคนผูกพันอยู่ก่อนแล้วหญิงสาวบุตรตรีขะห บ, บดีคนนั้นก็ไม่ยอมเชื่อท่านก็เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ยินดีจะพาไปพบหญิงสาวก็ตกลงใจที่จะไปพบไปเห็นกับตาดังนั้นพระอาจารย์ประยุทธ์จึงให้เธอขับรถเข้ากรุงเทพหญิงสาวก็ชวนเพื่อนคนหนึ่งของเธอไปด้วยโดยให้ท่านนั่งที่เบาะหลังรูปเดียว ถึงกรุงเทพแล้วพระจานทร์ประยุทธ์ก็เป็นผู้บอกทางให้จกนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นตึกใหญ่โตหรูหราแสดงให้เห็นฐานะเจ้าของบ้านว่ามั่งคั่งร่ำรวยทีเดียวเมื่อรถเข้าไปจอดหน้าบ้านพระจานทร์ประยุทธ์ก็ลงจากรถเดินนําหน้าเข้าไปในห้องรับแขกอย่างสนิทสนมเด็กรับใช้กราบเรียนต่อท่านว่าเออคุณผู้หญิงขับรถออกไปกับเพื่อนเจ้าค่ะอีกประมาณสองชั่วโมงคงจะกลับแล้วเจ้าค่ะภายในห้องซึ่งประดับประดาด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง แล้วก็มีรูปทรงลักษณะบอกถึงรสนิยมสูงมีรูปภาพเจ้าของบ้านประดับอยู่เป็นผู้หญิงวัยสาวและสวยซึ้งลูกสาวขหาาบดีเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นก็ได้แต่พยายามสะกดกลั้นความรู้สึกรันทดเอาไว้เมื่อพระอาจารย์ประยุทธ์บอกว่าจะคอยพบเจ้าของบ้านและจะไปธุระที่อื่นต่อลูกสาวขหาบดีก็ขอตัวกลับก่อนเป็นนั้นว่าปัญหาทางโลกซึ่งพระอาจารย์ประยุทธ์ถูกดึงเข้าไปผัวพันได้ยุติลง แต่เพียงเท่านี้อันที่จริงหญิงสาวสวยเจ้าของบ้านใหญ่หลังนี้ไม่ได้มีความน้ำพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดไปนในทํานองที่ท่านพระอาจารย์ประยุทธ์กล่าวอ้างแม้แต่น้อยเธอผู้นี้เป็นเพียงโยมผู้ซึ่งเคารพนับถือท่านเป็นอย่างสูงด้วยความบริสุทธิ์และท่านจําเป็นจะต้องยอมผิดศีลในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ปัญหายุติลงด้วยดีเมื่อได้พบกับโยมแล้วท่านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ขอขมาลาโทษที่กล่าวอ้างโยมผิด โยมผู้นั้นทราบเรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้ถือโทษแต่อย่างใดจบเรื่องสีกาไปแล้วพระอาจารย์ประยุทธ์ก็จะริกทุดงต่อไปอีกระหว่างที่ท่องเที่ยวทุดงท่านได้นิมิตเห็นในสมาธิว่าสถานที่อยู่ครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านเป็นภูเขาอยู่ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีเลยทุ่งลาดหญ้าขึ้นไปเป็นภูเขาที่มีสระน้ำหลายแห่งแล้วก็มีน้ำตกด้วย พระอาจารย์ประยุทธ์ก็ค้นหาสถานที่ในนิมิตจนกระทั่งพบแล้วก็ได้ตั้งเป็นวัดป่าขึ้นชื่อวัดป่าผาลาชท่านสร้างศาลาและกุฏิกรรมฐานเอาไว้หลายหลังแต่ตัวท่านเองจะอยู่ที่วัดป่าภาลาชนี้ในช่วงเวลาเข้าพรรษาเท่านั้นหลังออกพรรษาแล้วท่านก็จะออกทุดงทันทีในปีพุทธศักราช2519พระอาจารย์ประยุทธ์ได้บอกญาติโยมใกล้ชิดว่าอีกสามปี คือปีพศสองพันห้า้อยี่สิบสองท่านจะบรณภาพและเมื่อถึงปีสองพันห้า้อยี่ิบสองท่านก็กลับมาจำมันษาที่วัดป่าผาลาบก่อนท่านจะบรณภาพได้บอกกัญาติโยมว่าท่านจะเข้ากรรมฐานไม่ต้องเตรียมอาหารมาใส่บาตรท่านออกจากกรรมฐานเมื่อไหรจึงจะบอกให้มาใส่บาตรสำหรับการเข้ากรรมฐานครั้งละห ล, หลายหลายวันนี้ชาวบ้านญาติโยมรู้กันโดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเลย ช่วงแรกที่พระอาจารย์ประยุทธ์เข้ากรรมฐานนานเจวันจึงออกจากสมาธิท่านก็ไปพักผ่อนฉันอาหารเป็นปกติอีกสองสามวันก็บอกญาติโยมว่าจะเข้ากรรมฐานใหม่อีกเจดวันหลังจากท่านเข้ากรรมฐานผ่านไปได้เจวันลูกชายโยมอุปถาซึ่งมาคอยดูแลท่านตามปกติเห็นที่พื้นซีเมนตใต้ถุนมีน้ําเหลืองไหลนองส่งกลิ่นเหมน็นก็รีบขึ้นไปดูบนกุฏิก็พบว่าพระอาจารย์ประยุทธ์นั่งสมาธิมรณภาพแล้ว จึงรีบไปบอกพ่อของตัวจากนั้นก็ส่งข่าวให้น้องสาวท่านทราบน้องสาวท่านเดินทางมาถึงวัดป่าผาลาดเห็นว่าการจัดการชาปน ก, กิจศพท่านที่วัดไม่สะดวกหลายประการเนื่องจากเส้นทางไปวัดธุระกันดานจึงจาัด ก, การนำศพของท่านมายังกรุงเทพมาตั้งศพที่วัดมะก่อใกล้โรงพยาบาลพระมงกุฎบำเพ็ญกุศลสามวันจึงได้ประชุมเพลิงหลังจากพระอาจารย์ประยุทธ์มรณาภาพผ่านไปได้สองปี ญาติโยมซึ่งเก็บอัฐิองค์ท่านไว้ในหอผ้าเห็นว่าควรจะเปลี่ยนมาบรรจุลงในโกรครั้นแกะหอผ้าออกก็ถึงกับตะลึงเพราะว่าอัฐิาธาตุก้อนเล็กก้อนใหญ่ในหอผ้านั้นได้เปลี่ยนจากเดิมกลายเป็นแก้วใสาบางเป็นแก้วสีขาวบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างเขียวบ้างการที่อัฐิของพระภิกษุรูปใดแปลเปลี่ยนเป็นพระาธาตุเป็นสิ่งพิสูจน์ยืนยันว่าท่านได้บรรลุธรรมอันสูงสุดสู่พระอาหารหันต์แล้ว แม้ท่านจะไม่บรรลุพระอรหันต์ขณะมรณภาพก็แสดงว่าท่านสำเร็จอนาคาแล้วก็ไปจุติในพรหมโลกชั้นสุทาวาตและบำเพ็ญธรรมจนนิพพานสู่ภาวะพระอรหันต์ในที่สุดครับ